ทีนี้ก็มาภาวนาภาวนาก็พูดไปแล้วว่าในที่นี้นั้นท่านเน้นเรื่องเมตตาภาวนาการเจริญเมตตาพอสําหรับครฤหัสเนี่ยจะมุ่งในการอยู่ร่วมกันเนี่ยมานะทานก็เกื้อหนุนกันนะในวัตถุสิ่งของศีลก็อยู่ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียนแล้กนะ็ภาวนาก็เจริญเมตตาจะให้จิตใจมีพื้นฐานคุณธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นสอดคล้องกับพฤติกรรม ภายนอกทั้งกายวัจาด้วยแต่ทีนี้เรากลับไปดูความหมายของคำว่าภาวนาซิกหน่อยคําว่าภาวนานั้นแปลว่าการทําให้เป็นให้มีถ้าเป็นนักบาลีก็ต้องสืบก็บจะกระทั่งถึงรากศัพท์เข mm hmm. าเรียกว่าธาตุเลยนะกงนี้ถ้าเป็นผู้ไม่ใช่ผู้เรียนภาษาบาลีก็ไม่จำเป็นต้องรู้ไม่จำเป็นต้องจําแต่บอกมาจากภูธาต ภูธาบอกว่าเป็นเป็นทีนี้ภูตัวนี้ก็เอาอุเป็นวะทําตามวิธีของไวยากรณ์ภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาวะภาวะความเป็นใช่ไหมในภาษาไทยก็ใช้ภาวะความเป็นเยอะแยะไปภาวะโนนภาวะอย่างนั้นภาวะสงครามภาวะย่งนัก็คือภาวะความเป็นทีนี้เติม ตัวปัจจัยทำให้เป็นนาก็แปลว่าภาวนาแปลว่าการทาให้เป็น่งนะภาวะความเป็นภาวนาการทาให้เป็นแล้วมีด้วยนะไม่ใช่เป็นอย่างเดียวให้เป็นให้มีก็ตรงกับสับเดียภาษาอังกฤษเว r ร to be เนี่ยคล้ายๆกันเว r ร t o be แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นอยู่คือใช่ไหมเหมือนกันเลยภูธาตุตัวนี้แปลว่า เป็นอยู่มีคือคือก็ได้ใช่ไหมเป็นอยู่มีคือนะที น, น, นี้เอาเป็นว่าภาวนาก็มาจากตัวกิริยาหรือกิริยาตัวเนี้ธาตุตัวนี้นแปลว่าการทําให้เป็นให้มีอะไรมันยังไม่เป็นก็ทําให้เป็นอะไรยังไม่มีก็ทําให้มีเราทาให้มีก็คือทําให้มันเกิดขึ้นมาท่านมุ่งถึงฝ่ายดีนะ คือกุศลสิ่งที่ดีงามที่ยังไม่มีไม่เป็นก็ทําให้เป็นให้มีขึ้นมานี่ว่าทาให้เป็นให้มีทําให้เป็นให้มีให้เกิดขึ้นบ่อยๆมันก็เจริญงอกงามเพราะฉะนั้นก็ต่อมาก็แปลกันว่าเจริญคำว่าภาวนานี่ก็แปลว่าเจริญนะเจริญก็หมายถึงว่าทําให้มันเกิดมีบ่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นต่อมาก็แปลว่าอบรมนะ อบรมการฝึกอบรมฝึกอบรมก็หมายความทำบ่อยๆเหมือนกันนะก็แปลกันไปต่างๆแต่ว่านิยมโบราณนี่แปลว่าเจริญจะเห็นได้จากคําว่าอะไรเช่นเมตตาภาวนาแปลว่าเจริญเมตตาวิปัสสนาภาวนาแปลว่าเจริญวิปัสสนาสมาธิภาวนาแปลว่าเจริญสมาธิสมถะภาวนาเจริญสมถะแล้วแต่ ไปใส่อะไรก็จเจริญอันนั้นแหละเนะี่ยเลยมันเราะจะใช้มมาทำหลักาภาวนาด้เออไม่ต้องไปภาวนาให้เลยให้เลยนนเ น, นีนเ่ยอ่าอเนี้ยทานมันเป็นตัวการกระทําอยู่แหละเนี่อันนี้มันทําให้ตัวคุณสมบัติคุณสมบัติต่างๆเนี่ให้มันเกิดให้มีขึ้นมาอันนี้แปลว่าภาวนาแปลแบบโบราณก็แปลว่าเจริญเนะ แต่มาในภาษาไทยนานๆเข้าคำว่าภาวนานี่มันเพี้ยนไปมันกลายเป็นท่องบทภาวนาพุโทโธเขานะว่าไงกลายเป็นว่าว่าพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจอันนี้มันก็มีเหตุผลในการเพี้ยนเหมือนสัพท์ที่เคยพูดไปแล้วในเรื่องมานนะเรื่องอะไรต่างๆประมาทที่แปลความหมายเป็นดูถูกไปเนะี่ยประมาท หรือภาวนะกลายเป็นเพี้ยนไปอันนี้ก็มีเข้าภาวนาก็ทําไมกลายเป็นท่องบนพึ่พัมพึ่งพั ม, มก็เพราะว่าในกระบวนการที่จะฝึกอบรมจิตหรือทําให้เกิดสมาธิเนี่ยมันมีขั้นตอนหนึ่งที่ว่าจะต้องพยายามให้จิตอยู่กับสิ่งนั้นก็เลยเอาสิ่งนั้นมากําหนดในใจอยู่ตลอดเวลานะไอ้ขั้นเนี้ยซึ่งเป็นขั้นที่จะทําให้จิตเนี่ย มาอยู่กับสิ่งที่ต้องการเอาจิตมาอยู่กับสิ่งนั้นหรือกากับจิตให้อยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยมันก็เลยเอาการพูดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆในใจเนี่ยมาเป็นเทคเนิคนก็เลยว่าบ่อยๆก็เป็นการกระทำขั้นหนึ่งในการที่จะทำให้เกิดสมาธิทีนี้ไอ้กระบวนการฝึกให้เกิดสมาธิกระบวนการทำให้เกิดสมาธิเนี่ยตลอดทั้งกระบวนเนี่ยเป็นภาวนาทั้งหมดนเพราะ น, นั้น การที่มาว่าถึงสิ่งที่กําหนดไว้ในใจตลอดเวลานั้นมันก็เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการที่จะทําให้เกิดสมาธิก็เลยพอยถูกเรียกเป็นภาวนาไปด้วยใชซึ่งถ้าจะมีชื่อเช่นเรียกว่าปริกรรมว่าภาวนาคําว่าบริกรรมก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ไปด้วยนะท่องบนว่าว่าๆ่ า, า, าอย่าเนี้นยในคำว่าบริกรรมกับคาว่าภาวนาเนี่ยในกรณีนี้กลายเป็นคําที่มีความหมายเดียวกัน หลั ท, ที่คำว่บาบริกรรมเองก็ไม่ได้มีความหมายอย่างนี้คำว่บาบริกรรมเองเปลว่าขั้นเตรียมน ะ, ะเตรียมเตรียมเตรียมประตับริกรรมนัแปลว่าเตรียมเช่นอย่างเราจะสร้างบ้านสร้างเรือนที่บริเวณนี้เราต้องปรับพื้นก่อนการปรับพื้นให้เรียบนะเพื่อจะได้สร้างบ้านบนนั้นได้นั่นเรียกว่าบริกรรมใช่ไหมทีนี้ในการที่ทําสมาธิก็เหมือนกันขั้นต้นๆ น, นี้ การเตรียมปูพื้นจิตให้พร้อมนี่ก็เรียกว่า บ, บริกรรมอันนี้ภาวนาก็แปลว่าการเจริญสมาธิบริกรรมขั้นเตรียมนี่ยนะนอั น, นี้แหล ะ, นนหละการฝึกสมาธิเจริญสมาธิขั้นเตรียมเนี่ยมันมีการหาวิธีเทคนิคมาช่วยเช่นอย่างการที่มาเหมือนกับท่องหรือว่าหรือใจกําหนดสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาเช่นอย่างนึกถึง หรืออย่างกำหนดลมให้ใจเอาคำมาพุทโธมาช่วยกำกับจิตว่าว่าพุทโธพุทโธมันก็เป็นการฝึกสมาธิขั้นเตรียมเหมือนกันไปไปมาการที่พูดสิ่งเหล่านั้นว่าพุมพมุพกลายไปเรียกบริกรรมบางเรียกภาวนาบางมันเพี้ยนหมดเลยนะฮะความหมายมันก็เป็นไปจากไอเรื่องของความเป็นจริงในการปฏิบัตินี่แหละแต่ว่าคนหยิบเอาความหมายแงมุมผิดไป เน่ได้ส่วนหนึ่งได้เงามันบ้างอะไรบ้างก็เลยความหมายก็เพี้ยนไปแต่ว่าไ ม, ไม่ต้องอธิบายมากเอาเป็นว่าในแง่รายละเอียดไปว่าทีเดี๋ยวจะต้องมาอธิบายเรื่องปริกรมรมภาวนาอะไกันอีกนะีมันเยอะแยะกันใหญ่เอาว่าคําว่าภาวนาที่แปลว่าท่องบนว่าอยู่ในใจเรื่อยๆอะไรเงี้ยเป็นความหมายที่เพี้ยนมาจากเรื่องของการที่ปฏิบัติ โดยที่ว่าไปจับเอาแง่มุมหนึ่งมาแล้วก็เลยความหมายก็กลายเป็นแคบลงแต่ตัวภาวนาเองก็หมายถึงการเจริญอย่างที่ว่าแล้วทำให้เกิดให้มีและทำให้เกิดให้มีอยู่เรื่อยๆมากขึ้นเพิ่มพูนขึ้นก็เจริญงอกงามนี้ภาวนานี้ที่แปลว่าเจริญหรือทำให้เกิดให้มีให้เจริญงอกงามฝึกอบรมเนี่ยก็ได้พูดไปแล้วว่าชุดเต็มขั้นเนี่ยมันมีอยู่4อย่างใช่ไห สอย่างซึ่งเทียบกับชุดใจสิกขาใจสิกขาว่าศีลสมาธิปัญญาอันนี้ว่าพอจัดเป็นชุด 4, สี่ใจสิกขาที่เป็นสามก็เป็นเป็นภาวนาสี่ภาวนาสี่ก็มีอะไรบ้างครับนึกออกไหมฮะหนึ่งกายภาวนาสองศีลภาวนาสามจิตภาวนาสี่ปัญญาภาวนาชุด4ี่นี้นิยมไปใช้ในการวัดผลชุดสามใจสิกขานั้นใช้ ในการกระบวนการฝึกเลยในกระบวนการของการพัฒนาคนอย่างจริงๆเพราะเป็นกระบวนการพัฒนาคนแบบบูรณาการทั้งสามอย่างนี้ต้องไปได้วยกันมันเกิดขึ้นในทุกกรณีมีทั้งสามอย่าง<ม>แต่ทีนี้ภาวนาสีนั่นไปใช้ในกรณีของการวัดผลเพราะจะไปดูแต่ละด้านว่าได้ฝึกมาแล้วยางแต่ในเชิงปฏิบัติเวลาฝึกเนี่ย มันบูรณาการสีเดียวสี่ไม่ได้มันต้องสมเพราะฉะนั้นต้องจัดเป็นใจสิกขานี่อธิบายไปแล้วนะอันนี้ภาวนาก็ใช้ในการวัดผลก็แยกได้ก็เป็นกายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนาอันนี้เป็นการแยกแบบเต็มเลยทั้งระบบแต่ทีนี้เวลาเรามาใช้ในความหมายที่ไปปนกับชุดอื่นเนี่ยเราไปเน้น โดยมีศัพท์เฉพาะอยู่แล้วเรื่องด้านภายนอกเรื่องของข้อปฏิบัติทางกายวาจาหรือออกมาสัมผั์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามีศัพท์ที่เราใช้จนชินไปแล้วเช่นทานสีลนอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยต่อมาหรือว่าในเชิงนิยมก็เอาคำว่าภาวนาเนี่ยมาใช้จำกัดแคบลง ก็มานิยมใช้ก็แค่ด้านในคือด้านจิตใจกับด้านปัญญาเอาภาวนามาใช้แค่นี้เพราะฉะนั้นภาวนาที่เราได้ยินบ่อยมากก็จะเป็นภาวนาในด้านของจิตและปัญญานั้นภาวนาบางครั้งโดยที่ไม่ต้องการพูดเต็มอย่างที่ว่ามาแล้วเพราะว่าด้านนอกนี่มีศัพท์ที่ใช้อยู่ซึ่งนิยมมากอยู่แล้วรู้จักกันดีแล้วก็เลยเอาจํากัดว่าภาวนาเป็นสองก็แล้วกัน ภาวนาสองก็คือเหลือจิตตภาวนากับเป็นปัญญาภาวนากายะภาวนาศีลภาวนาก็เป็นอันว่าตัดไปให้รู้ว่าอยู่กับเรื่องพฤติกรรมที่พูดไปที่สับสามันแล้วนะอันนี้ก็ศัพท์ที่ค่อนข้างให้ความหมายพิเศษภาวนาก็พอพูดอย่างนี้ก็เลยนะว่าเอานะให้รู้กันหมายเอาด้านในด้านจิตใจและด้านปัญญา การพัฒนาด้านจิตใจก็เรียกจิตภาวนาการพัฒนาด้านปัญญาก็เรียกปัญญาภาวนาทีนี้พูดอย่างนี้มันก็ยังให้ความรู้สึกว่ากว้างให้เห็นเป็นกระบวนการปฏิบัตินีก็พูดให้แคบลงไปอีกเป็นสมถะ ภ, ภาวนาการเจริญสมถะแล้วก็ฝ่ายปัญญานีฝ่ายจิตก็ใช้คําว่าสมถ ภ, ภาวนาคือให้รู้เลยว่ามุ่งที่ให้จิตสงบนะ เขาว่าจิตภาวนาพัฒนาจิตนี่มันก็กว้างอยู่นะพอพัพฒสมถาภาวนานี่มนหมายถึงการพัฒนาความสงบแห่งจิตเลยและทีนี้ฝ่ายปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาก็เจาะจงให้ชัดลงไปว่าหมายถึงปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาเป็นปัญญาที่รู้แจ้งความจริงของสังขารเลยปัญญายัางลึกเข้าถึงสภาวะธรรมชาติเลยไม่ใช่ปัญญาทั่ ว, วไป พอเจาะเฉพาะอย่างนี้ก็เลยใช้คําว่าวิปัสนาภาวนาไปเลยถ้าพูดอย่างคร่าวๆก็สมถาภาวนาก็แทนคําว่าจิตภาวนาวิปัสนาภาวนาก็แทนคําว่าปัญญาภาวนาแต่ที่จริงคือการเจาะจงให้ชัดลงไปทีนี้สมถาภาวนานี้ต้องการอะไรต้องการสมาธิใช่มหมตอนนั้นก็จะเรียกอีกอย่างก็เรียกว่าสมาธิภาวนาก็ได้นะ ก็ไปอ่านว่าตอนนี้มาถึงคำว่าภาวนาโดยจำกัดให้แคบลงแล้วนะพอเหลือเป็นสมาธิภาวนาสมถะภาวนากวิปัสนาภาวนาอันนี้พูดให้สั้นลงไปอีกเหลือแค่สมถะกะิปัสนาพอเลยนะตอนนี้ตอนนี้ไม่ต้องใส่คําว่าภาวนาก็ได้เอาแค่คําว่าสมถะ ก็คำว่าวิปัสสนาก็พอแล้วนีแต่ถึงงานท่านก็ยังมีการใช้อย่างยาวโดยเติมคำว่าภาวนาเข้าไปด้วยแต่ว่าเรียกสั้นๆก็สมถะกับวิปัสสนาก็พอนี้พอเรามาแยกสองอย่างนี่เป็นฝ่ายจิตกับฝ่ายปัญญาก็ชัดอยู่แล้วอันนี้คนปัจจุบันนี้ก็ยังมีการหลงการสับสนระหว่างสมถะกับวิปัสสนาก็แยกกันไม่ออก ก็ต้องจับหลักการให้ได้ว่าสมถกะการวิปัสสนานี่จุดต่างอยู่ที่ตรงไหนนะจับจุดต่างให้ได้จุดต่างอยู่ที่บอกแล้วสมถะนี่มุ่งสมาธิใช่ไหมฮเราก็เลยเราเลยมักจะเรียกกระบวนการฝึกทั้งหมดที่จะทําให้เกิดสมาธินี่ว่าสมถะสมถะก็เป็นกระบวนการตัวการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสมาธิแต่ในบางแห่งพระพุทธเจ้าใช้คําคว่าสมถะแทนคําว่าสมาธิได้เลย แต่ว่าใช้บ้างบางครั้งใช้แบบหลวมๆถ้าใช้แบบเป็นวิชาการก็จะเป็นวาสมัฏานเนี่ยเป็นกระบวนการฝึกเพื่อจะให้เกิดสมาธิสมาธิก็เป็นจุดหมายอันนั้นฝ่ายสมรถาก็ต้องการสมาธิฝ่ายวิปัสสนาก็ต้องการปัญญาแต่หมายถึงปัญญาที่รู้ความจริงของสังขารรู้ใจลักที่จะทำให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสได้เลย เอานะทีนี้หลักการของสมถะที่มุ่งสมาธิก็อยู่ที่ว่าจะทำไงก็ตามให้จิตเนี่ยมันอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ต้องการได้จิตอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ต้องการได้นี่เป็นเรื่องของสมถะคือทาให้เกิดสมาธิเอาแค่เนี้นะเพราะจิตแน่วแน่จิตสงบอยู่กับสิ่งเดียวที่ต้องการได้ แม้แต่ว่าอยู่กันสิ่งที่ต้องการนั้นได้ตามต้องการเนี่ยนะแนวไม่พลาดไม่ฟุ้งซ่านไม่บอกแวกไปไม่เลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นแน่นอนเด็ดขาดอยู่ได้ตามต้องการห ม, มายความว่าต้องการจะอยู่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอยู่ได้นะีอย่างเงี้ยนี่คือว่าเรื่องของสมถะจุดหมายอยู่ที่นี่พอสมถานี่บำเพ็ญปพอจิตได้เป็นสมาธิแน่ๆอย่างนั้นแล้ว มันก็จะมีสมาธิที่แน่วแน่ในระดับต่างๆจนถึงแนบแน่นแนบสนิทอ่ามันก็เลยเป็นสมาธิที่เป็นหลายระดับระดับแรกเรียกว่าคณิกาสมาธิเป็นสมาธิที่จิตมันแน่วแน่ได้ชั่วขณะชั่วขณะไม่ได้ตั้งมั่นต่อเนื่องไปได้ชั่วขณะขณะทีนี้ก็มาเป็นสมาธิที่แนบสนิทยิ่งขึ้น แต่ยังไม่แนบสนิทเต็มที่ท่านเรียกว่าเป็นเฉียดเฉียดจวนจวนว่าไงจวนจะแนบสนิทอันนี้ก็จะมีชื่อเรียกว่าอุปจารสมาธิแล้วพอมันแนบสนิทจริงๆก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิลักษณะของจิต ท, ที่ว่าพอได้อุปจารสมาธิก็คือนิวร์จะหมดนี่เป็นจุดสําคัญที่จะกําหนด พอได้อุปจารสมาธินี้ก็กำจัดนิวรณ์ได้นิวรณ์ทาก็มีการมาฉันาาท่าปายบทตีนมิท่อุทธะกุกุจจาวิจิกิจฉานะซึ่งไม่ต้องอธิบายในที่นี้เดี๋ยวจะไปกันใหญ่อันนี้ก็จุดกําหนดแล้วพอต่อจากอุปจารสมาธิก็เป็นอัปนาแนบสนิทเพราะจิตเป็นอัปนาสมาธิก็ถึงฌานแล้วที น, นะนี้นีเพราะฉะนั้นการมาเพ็สมถะที่ได้สมาธินี้พอจิตแนบสนิทดีก็ไปถึงฌาน จิตนี้ก็เข้าสู่ภาวะเป็นฌานมีคุณสมบัติต่างๆก็ใช้คุณสมบัติที่มันเป็นตัวยืนสําคัญในจิตนี้เป็นตัวกําหนดว่าเป็นฌานระดับไหนถ้ามีองค์ประกอบอยู่5อย่างเป็นหลักนะไม่ใช่มีแค่นั้นน้ำมัอื่นด้วยแต่ไอตัวที่จะใช้กําหนดมี5ตัวมีวิตกวิจารณปิติสุขเอกขัตตาท่านก็นเรียกว่ปาปฐมฌานเพราะว่าแนบสนิทลงไปอีกวิตกวิจารณหมดความจําเป็นที่ต้องใช้ก็เหลือปิติสุขเอกขัตตาก็เป็นฌานที่สอง ถ้ามีห้ายังเป็นฌานที่หนึ่งเรียกว่าปฐมฌานพอไปตัดไอ้ตัวที่มันยังแสดงความไม่แนบสนิทยังมีไอ้ความที่ยังมีการเป็นภาระของจิตอยู่มากหน่อยก็คือยังมีวิตุวิจารเนี่ยพอตัดวิตุวิจารณได้ ก็แนบสนิทยิ่งขึ้นก็เป็นฌานที่สองเรียกว่าทุติยฌานหรือปีติสุขเอกคตาต่อไปปีติระงับปีตินี้ยังเป็นภาวะที่จิตมันอะไรจะเรียกว่าฟูฟ้าหน่อยก็สงบลงไปอีกปีติออกเหลือองค์เหลือแค่สุขเอกคตาสงบกว่าก็เป็นฌานที่สามเรียกว่าตติยฌานพอแนบสนิทลงไปอีกนั่นก็สุขนั้นก็เป็นอุเบกขา พอเปลี่ยนเป็นอุเบกขาได้ก็เป็นชาตที่สี่เหลือองค์สองอุเบกขาเอกคตานะีอันนี้ชาตที่สี่นี้เรียกว่าจตุตถชานเขาได้จดตุตถชาตแล้วทีนี้มีการเปลี่ยนอารมณ์ของจิตไปเป็นอรูปนะจิตที่เป็นชาตที่สี่นี่แหละชาตที่สี่นี่แหละก็จะมีความประนีตไปเป็นอรู ป, ปรชาต เป็นรูปฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่4ี่ไปตามลําดับเรียกชื่อว่าอากาสานณจายตนะและก็วิญญาณญจายตนะอากิจัญญาจตนะเนวสัญญาณสัญญาจตนญะเป็นรูปฌานสี่อีกการรวมทั้งหมดฌานทั้งหมดก็มี8ขั้นเป็นรูปฌานสี่รูปฌานสเรียกจนเต็มๆบางทีก็เรียกว่าสมาบัติ8ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของฌานก็แปลว่า เป้าหมายของสมถะเนี่ยก็คือสมาธิและสมาธินี่ก็ทำให้จิตเกิดภาวะที่เรียกว่าเป็นฌานระดับต่างๆตอนนั้นเราพูดสั้นๆสมถะนำไปสู่ฌานนะนะสมถะคู่กับฌานสมถะและได้ฌานเป็นสภาพจิตที่มีคุณสมบัติที่แสดงความประณีตละเอียดอ่อนมีสมาธิเป็นแกนทีนี้ฝ่ายวิปัสสนาบ้างฝ่ายวิปัสสนานั่นบอกแล้วว่า เป็นการทำให้เกิดปัญญาใช้ปัญญาพัฒนาปัญญาขึ้นไปปัญญานี้เป็นปัญญาที่รู้ความจริงของชีวิตสังขารให้เห็นว่าชีวิตของเรานี่ไม่ใช่มีอะไรเราก็เป็นแต่เพียงรูปธรรมนามธรรมเป็นสภาวะตามธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็เป็นภาวะที่เป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาอย่างที่เราเคยว่ามาแล้วนี่ยอันนี้เห็นความเกิดดับเป็นไปเห็นความจริงของสังขาร ก็ทําให้จิตรู้เท่าทานความเป็นไปสิ่งต่างๆที่เคยยึดเคยถือเนะ่ยเคยสําคัญมั่นหมายต่างๆนะตามสมมติก็จิตก็เปลี่ยนไปได้ปัญญานี้ก็เกิดความรู้ความจรงิงการวางใจวางาท่าทีต่อสิ่งทั้งหลายต่อโลกและชีวิตก็เปลี่ยนไปจกนกระทั่งว่าเกิดความที่ว่าเป็นอิสระขึ้นมาจิตเรียกว่าหลุดพ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นไปตามที่ตัณหา มาผลักดันมานำจิตใจหรือว่าเป็นไปพระอุปท า, านแล้วไม่ติดในสมมติแต่รู้เท่าทันสมมตริรัออที่สมมติขึ้นมานี่เป็นเรื่องของเหตุผลของมนุษย์ในการอยู่ร่วมสังคมในการพูดกันรู้เรื่องเป็นต้นแล้วก็ใช้อย่างรู้เท่าทานันแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าเป็นหลงโดยที่ว่าไปปฏิเสธมันอีกนะคือหมายความว่ารู้เท่าทันและใช้ตามเหตุผลของมัน รู้เท่าทันสมมติเราเข้าถึงความจริงของปรมัติตทาให้ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายถูกต้องโดยจิตเป็นอิสระหลุดพ้นอันนั้นนี่ก็คือเป็นเรื่องของวิปัสสนาวิปัสสนาก็เลยทําให้เกิดปัญญาปัญญาที่รู้เท่าทันความจริงนั้นวิปัสสนาก็เป็นคู่กับปัญญาที่จริงมันเป็นตัวปัญญาแหละแต่มุ่งทําให้เกิดปัญญา อันนี้ปัญญานี่ปัญญาที่ทํางานสําเร็จผลเนี่ยจะระดับรู้ความจริงเป็นเรื่องๆไปนี่ก็ ญ, ญก า, านนะอย่างที่เคยพูดไปแล้วพอรู้ความจริงว่าอ๋ชีวิตของเราหรือสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มันก็ที่เรียกชื่อไปต่างๆเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรเป็นต้นไม้เป็นภูเขาความจริงมันก็คือรูปธรรมานามธรรมาตามสภาวะของมันเนี่ยซึ่งเราสามารถแยกย่อยไปจาก มนุษย์สมัยปัจจุบันก็สามารถว่าแยกว่าไอ้ที่ปรากฏเป็นน้ำเป็นเนื้ออะไรนี่จริงๆมันเป็นเอสทูอย่ารเงี้ยอะไรเงี้ยนะว่าสามารถแยกเข้าไปให้ถึงตัวภาวะเขมันเมื่อเข้าถึงตัวภาวะความจริงเท่าไหร่ยิ่งสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้นนะเพราะมันรู้ความจริงว่ามาจากไหนไมันเป็นยังไงความเป็นเหตุเป็นผลไปปัปจจัยต่อกันนี้รู้เข้าใจจนกระทั่งว่าเห็นว่าเป็นรูปธรรมนามธรรม การรู้อย่างนี้ก็เรียกว่ายานหนึ่งเรียกว่าเช่นว่าเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณญาณกําหนดรู้หรือกําหนดแยกนามแล้รูปได้อะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามนะแล้วต่อไปก็ปัญญากรร็ทําสําเร็จผลอีกขั้นหนึ่งรู้ถึงว่าอออะไรเป็นปัจจัยให้ไอ้นามรูปนี้ปรากฏในภาวะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เรียกว่ากําหนดจับเอาปัจจัยได้ก็เรียกชื่อเป็นอีกยานหนึ่งเป็นว่าปัจจยปริขหายานใช่ไหม นี่ต่อมาญาณนั้นเกิดเห็นไอการที่นามรูปนี้มันเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องกันไปมันไม่เที่ยงแล้วมันไม่คงอยู่ในภาวะเดิมมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันตามสภาวะไม่มีใครเป็นเจ้าของบังคับมันได้น่อันนี้ก็เป็นสมมริสนญาณพิจารณาตามไจลักปัญญาที่รู้เป็นเรื่องเรื่องเรื่องเอ ง, เองอย่างนี้นะฮะ รู้ชัดไป ท, ทําหน้าที่รู้ได้ผลไปเป็นเรื่องๆนี้เรียกว่าญาณอันนั้นวิปัสนาเขาจะทําให้เกิดปัญญาที่รู้เข้าใจแต่ละขั้นแต่ละตอนอย่างนี้ที่เรียกว่าญาณเลื่อยไปเพราะนั้นวิปัสนาก็คู่กับญาณทําให้เกิดปัญญาก็เป็นญาณฝ่ายสมถ า, า, นะานี่คู่กับฌานนะฮะแล้วก็วิปัสนานี่คู่กับญาณเพราะฉะนั้นสองอันเนี่ยคนจะสับสนนะฝ่ายสมถานนี่ได้ฌานฝ่ายวิปัสนานี่ได้ญาณ เอ้าวและเข้าใจว่าแยกได้นะอ่าเป็นอันว่าฝ่ายวิปัสสนานี่ทําให้เกิดปัญญาเป็นปัญญาที่รู้เป็นเรื่องเรืาา่องเรื่องปัญญาคือปัญญายก็คือปัญญาที่ทํางานได้ผลในเรื่องนั้นๆเป็นเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องไปนะดังนั้นคงจะเข้าใจทั้งศัพท์ด้วยคงจะเข้าใจทั้งหลักการด้วยยานยาณก็เกิดขึ้นมาจนกระทั่งถึงสุดท้ายเป็นอาสวัคคายาณเป็นโพธิการตรัสรู้เลยเนี่ยอันนี้ มันจะมีจุดหนึ่งที่ว่าฝ่ายสมถะก็เกิดญาณได้อีกเหมือนกันแต่มันจะต้องมาบรรจบ ก, กับวิปัสสนาแล้วจะเป็นญาณสูงสุดไอ้เจ้าสมถะนี่มันทําให้จิตสงบนี่เพราะจิตสงบเป็นสมาธิเคยพูดไปแล้วนี่ฮะจิตเป็นสมาธิมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์สประการหนึ่งทำให้มีพลังสองทำให้ใสเอื้อต่อการใช้ปัญญา แล้วก็สามสงบทำให้เกิดความสุขใช่ไหมทีนี้พอได้สมาธินะได้ฌานแล้วจิตมันพร้อมจะใช้งานทางปัญญามันเกิดการรู้อะไรบางอย่างด้วยความสามารถของจิตที่มันดิ่งแนบสนิทนั้นเขาเรียกว่าเป็นญาณชนิดต่างๆเหมือนกันญนะาณฝ่ายสมถะเกิดขึ้นมาแล้วจากการที่ได้ฌานแล้วนะจะไปเกิดญาณอีกนะ จากชานนี้ไปเกิดยานฝ่ายสมทุท t เป็นยานที่เรียกว่าอภิญญาเป็นประเภทความรู้พิเศษที่ว่าหูทิพตาทิพมองเห็นสิ่งที่คนธรรมดาไม่เห็นได้ยินสิ่งที่คนธรรมดาไม่ได้ยินนะตาหูมันประณีตอินซีมันคมชัดยิ่งขึ้นนะร่วงรู้อะไรต่างๆและลึกอะไรต่อะไรได้อย่างพวกสกดจิตนี่ แต่ใช้วิธีการประเภทนี้นะแต่ว่าไม่ได้ไอตัวคนที่ระลึกไม่ได้หรอกแต่สามารถที่จะใช้จิตที่สงบที่มันไม่ฟุ้งซ่านไปเลยนะเนี่ยระลึกถึงอดีตของตัวเองใช่ไหมระลึกตั้งแต่เกิดมาเลยสามารถแสดงอย่างเด็กอย่างคนที่ถูกสะกดกจิตเนี่ยจะให้ร้องอูแวใหม่ก็ได้นี่จะให้คลานให้แสดงท่าทางตอนเป็นเด็กอายุหนึ่งขวบอะไร ระ ล, ลึกได้อีกนะก่าที่จะเข้าปีศาหน่งวันนะครับแล้บหนึ่งวันผมไปเจอคุณหมอท่านหนึ่งก็ประสิไปแล้วลค้ับแปดสิบท่านมีลักษณะแปลกตองรู้ตัวที่ว่า พูดคุยกับทางโรคแห่งวยญญาณได้ก็ไม่ทราบ ว, ว่ากลองคุกับท่านผู้ยกหลงหลายลาครั้งะนะครับที่าจาร์กันถึงว่าหมอหมอหมอทั้งนี้นมีความเป็นไปได้ไมโกหเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็รู้ยากอยู่แต่ว่าไม่แน่บางทีก็จิตไร้สานึกพาไปก็ได้บางทีตัวเองก็หลงว่านก็เป็นจริงนะฮะอันนี้มันอยู่ที่ว่าจะพิสูจน์ได้ยังไงใช่ไหะ ก็คุยได้จริงหรือเปล่าให้เขาบอกพูดเรื่องที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนสิใช่ไหมจึงจะเป็นเครื่องที่จะตรวจสอ บ, สอบไปได้คนที่พูดไปสิ่งที่เขาไม่รู้มาก่อนใกล้ความจริงเจแต่ที่ผมไปนี่ก็ไปได้ครั้งเดียวเพราะคะรูในการชวนไปแต่ก็ไม่ได้ไปฝังใจลงไปแต่ว่าอยากจะไปแต่ว่าที่ว่าเขาติดต่อกับเทวดาอะไรเนี่ย แล้วรู้เนี่ยมันไม่จะเป็นต้องติดต่อเทวดารู้รู้ได้จิตไร้สำนึกตัวเองนี่แหละจิตไร้สำนึกก็ตัวเองมันมีความสามารถอยู่แล้วนะแต่บางทีก็หลอกตัวเองว่าไปรู้จักเทวดาที่รู้ได้ตัวเองนี่แหละยิ่งสาคัญหนักครับอีกคือจิตไร้สำนึกมันมีความสามารถพิเศษอยู่แล้ว น, นี่ไอจิตไร้สานึกมันทางานมันมีสมรรถภาพสูงอย่างว่าจิตสานึกเนี่ย เวลาเท่าไหรผ่านไปต้องไปดูนาฬิกานะฮะแต่จิตไร้สานึกไม่ต้องดูนาฬิกานะหลับเนี่ยตั้งใจตื่นตีสี่นะไม่ต้องดูนาฬิกาใช่ไหมจิตไร้สานึกมันมันเก่งกว่าฮะดังนั้นพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญบอกว่ามันไม่ใช่การตรัสรู้แล้วก็มันก็ไม่ทําให้หมดกิเลสหมดทุกข์ได้นะก็ดีไม่ดีก็ฮึ่เขิมดักเข้าไปอีกเป็นเทพบเทวทัศน์ไปเลย ลว่าเป็นวอะไรเป็นเทพานั่นแหละลตัวเองไปเลยเพราะนั้นพระเจ้าจะไม่ให้เกียรติในเรื่องนี้เนี่ยนนี้เนี่ยอชาติเป็นอะไรคนนี้อตชาติเป็นอะไรเต็มขนาดนั้นเลยเพราะว่าไอ้พวกนี้ก็คล้ายๆเทคโนโลยีถ้าใช้ดีก็เป็นประโยชน์ถ้าใช้ไม่ดีก็เป็นโทษเพราะนั้นท่านจะถือเป็นเรื่องที่ว่าไม่ดี ไม่ร้ายในตนเองแต่ว่าแล้วแต่ไปใช้ถ้าไปอยู่กับคนดีเขาพัฒนาตนเองในทางที่ดีแล้วเขาไปเจริญวิปัสนาไอ้สิ่งเหล่านี้ก็ไปเป็นเครื่องประกอบในการทำงานเช่นว่าทำงานพระาศาสนาอย่างพระโมคคัลลานนะใช่ไหมฮะใช้เรื่องของอภิญยาเรื่องของญาณที่เกิดจากฝ่ายสมถะเนี่ยมาใช้ประโยชน์ประกอบแต่รวมครามก็คือว่า มันไม่ใช่เป็นเครื่องวัดความดีงามความเลื่ความประเสริฐอะไรต่างๆไม่เป็นพระอรหันต์ไม่เป็นอริยะเท่านั้นอันนี้พอสมถานี่มันทําให้เกิดญาณประเภทนี้ท่านเรียกว่าโลกิยะพิญญานี่พอมาประเภทวิปัสนาผู้ที่มีฌานเนี่ยจิตมันสงบดีก็ประเภทวิปัสนามีความโน้มเพียงจะง่ายขึ้นเพราะจิตมันพร้อมทีนี้พอควาเพียวิปัสนาด้วย แล้วก็มาได้ยานฝ่ายวิปัสสนาก็ได้อาสวกขยายานชาญาฝ่ายวิปัสสนาที่ทำให้กิเลสอาสวกสิน้นพ้นจากกิเลสพ้นจากความทุกข์ทำให้จิตหลุดพ้นได้อาสวกขย า, ยานนี้เลยกลายเป็นตัวสุดท้ายสูงสุดกว่ายานฝ่ายสมถะนะี่พอจัดเป็นอภิญญาเรียกว่าอภิญญาข้อที่หเป็นโลกุตราอภิญญาก็เป็นอภิญญาหตอนนี้คล้ายๆว่ า, าสมถะวิปัสสนามาประสานมาจบไม่ใช่ประสานมาบรรจบ มรจบกันก็เป็นตัวฝ่ายวิปัสสนาเนี่ยมาเติมให้เต็มครอบยอดให้บริบูรณ์ตราดใยยังไม่ได้อาศวัคยาไม่ได้อาศวัคยายานแล้วยานฝ่ายสมถา น, นี้ก็ยังเป็นปุทถชนเป็นโลกิยะนะแล้วก็อาจจะใช้ในทางที่ผิดพลาดอย่างที่ว่าแล้วก็เสื่อมไปนะเพราะนั้นต้องระวังเนี่ยพสมัยก่อนพุทธกาลเนี่ยคนไปติดอภิน ญ, ญาห้าฝ่ายโลกี แล้วก็วัดว่าเป็นพระอรหันต์ไปนะทีนี้ฝ่ายวิปัสสนาได้สมาธิต่ำหน่อยไม่ได้อภิญญาไม่ได้ญาณฝ่ายสมถะแต่ว่าอาศัยสมาธิเพียงเท่าที่จําเป็นเท่านั้นบําเพ็ญวิปัสสนาไปได้โล ก, กุตระอภิญญาเลยข้อเดียวพอเป็นพระอรหันต์เลยแต่ไม่ได้อริทธ์ไม่ได้ภิญญาอื่นก็ไม่เป็นไรไม่ถือเป็นสําคัญนะแสดงว่าผู้ที่ เ็นวตัวเองราเชาติได้นี่แสดงว่าไม่เรื่องภูมิปัญญาครับภูมิปัญญาสำคัญฝ่าวิปัสนาสำคัญสมรรานี่รัสปูตินก็อาจจะได้บ้างน่แน่คครับมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือพวกที่นั่งเทียนเป็นหญิอายุสี่หาสิบปอ์เนี่ยบางคนสมวบาก็ไปหลงอยู่ในนักันโยดเทียนอย่เทียพวี้ก็ได้ปชาเหมือนกันแต่ว่าในทางวิชา กนี่แหละรวมความก็คือาจาบใดที่ยังไม่ได้เกิดปัญญาที่อย่างรู้สังขารความจริงของชีวิตและโลกความจริงตามสภาวะใช่ไหมมันก็ติดอยู่ในสมมติหมดไอเจ้าโลกิยะอภิญญาเนี่ยมันติดในสมมติท่านั้นแะเป็นความรู้มันก็รู้เทียงว่ารู้ด้วยความสามารถพิเศษของจิตเท่านั้นจิตที่ไร้สำนึกจิตของตัวเองที่มันเต็มบริบูรณ์นมาใช้ประโยชน์ได้มาก แต่มันก็เป็นเพียงการอยู่ในภาวะของพลังจิตนะ่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการยังไม่หลุดพ้นยังติดอยู่ในสมมตินะ่ะเป็นเรื่องของโลกียะทั้งหมดนะ่ะฉะนนั้นก็ไม่มีความปลอดภัยไม่เป็นความประเสริฐไม่เป็นอริยะทั้งสิน้นนะ่ะจนกระทั่งว่าไปเจริญวิปัสสนาแล้วก็ได้ยาได้ญาณขั้นสุดท้ายเรียกว่าอาสวัคย า, ยานอันนั้นเป็นโล ก, กุตระอภิญญา นะอันนั้นได้อันเดียวพอเลยไม่ได้อื่นไม่ได้ฤทธิ์ไม่ได้ไรก็ไม่เป็นไรอันนั้นก็เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ประเสริฐหลดุดหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์นะแต่ถ้าได้สองฝ่ายมาก็จะทําให้ทํางานได้ผลดียิ่งขึ้นเพราะมีความสามารถพิเศษมาช่วยอย่างพระโมคคัลลานนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าจะเน้นปัญญามากกว่าเพราะภาษาริบุตรนี่แม้ไม่ได้เลิศทางฤทธิ์แต่ว่าเอาปัญญาเป็นสำคัญใช่ไหม เปัญญานั้นเป็นตัวที่จะทําให้จัดสรูถึงมีสมาธิยังไงมันก็ไม่ตัดสรูไปได้เพราะว่าก่อนพระพุทธเจ้าจะมาอุบัติก็ไปเรียนในสํานักของฤาษีดาบทมาเยอะแยะนะได้ฌานอภิญญาได้สมาบัติมาหมดแต่ก็ตันใช่ไหมก็ไปลว่านี่เป็นจุดที่มาบรรจบ ก, กันระหว่างสมถาวิปัสสนาให้แยกหลักการนี้ให้ได้เป็นว่าสมถานี้ ถ้าไม่มาต่อยอดด้วยวิปัสสนาก็เป็นอมตะก็เป็นเหมือนฤษีชีไพรในยุคก่อนพุทธกาลนะแม้พระโพธิสัตว์ก็เคยเป็นมาแล้วพระโพธิสัตว์ก็ไปจบแค่นั้นตันอยู่แค่นั้นธรรมฐานละวิปัสสนาบััแปดกัเรื่องปฏิญาปญาา่เป็นต้องสัมพันธ์นเพราะต้องได้ได้ ได้ชาญสมาบัติแล้วไงจึงสามารถเจริญจึงพัฒนาภิญญาขึ้นมาเพราะต้องพวกได้ปิญญาโลกีนี่ต้องได้ชาญสุดเลยต้องเรียกว่าจิตนี้ต้องพร้อมเต็มที่เลยเพราะมันเป็นฝ่ายพลังจิตนี่มันต้องเอาเรื่องจิตเรียกว่าภาวะที่เรียกว่าเต็มเปลี่ยมฝ่ายจิตพัฒนาเต็มที่แต่ฝ่ายปัญญานี่มันได้อาศัยฝ่ายจิตพอใช้งานมันไปได้เลยนีะ อท่อาเป็นนิดนึงนะใดก็พู ด, ดถมมาาึงเรื่องสมบัตินกรณีของโรสมรา บ, าสมาบาัตินี่ก็แสดงว่าอรหัตรูปก็เข้าโรสมราบัติไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องนสมบัติต้องได้สมาบัติ8ด้วยต้องนี่งานเป็นจุดประสานมาบรรจบคือพระหัต์ที่ได้ฝ่ายสมบัาเต็มบริบูรณ์มาด้วยใช่ไหมก็ทำให้มีความสามารถพิเศษ ที่เข้านิโรธสมาบัติได้ฝ่ายเจ้าพวกได้สมถะสุดยอดได้สมาบัติ8แล้วก็ยังเข้านิโรธสมาบัติไม่ได้ใช่ไหมเนี่ฝ่ายพระรหันทิพเจริญสมาธิพอเจ้าเท่ า, าที่จะเป็นแล้วมาต่อยอดด้วยวิปัสนาได้แต่ฝ่ายอาสวัคคา ย, ยาณไม่ได้ฌานสมาบัติเต็มที่ก็เข้านิโรธสมาบัติไม่ได้อีกใช่ไหมเนี่ทีนี้ต้องคนที่สมบูรณ์จริงๆ ทั้งสองฝ่ายนี้เข้านิโรธสมาบัติได้ไม่เฉพาะพระอรหันนะอนาคามีก็ได้พระอนาคามีที่ได้ฌานสมาบัติ ด, ด้วยท่านเข้านิโรธสมาบัติได้พระอรหันที่ได้ฌานสมาบัติ ด, ด้วยก็เข้านิโรธสมาบัติได้ mm hmm. ก็เลยมีสมาบัติที่มาบ จ, จบอีกใช่ไหมเออพระอรหันที่ได้ทั้งสองฝ่ายเป็นขั้นทีน่ท่านเรียกว่าเป็นอุปโตภาควิมุต การทหารพวกนี้เป็นผู้หลุดพ้นทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายด้านสมถะและฝ่ายวิปษษัสสนาได้ทั้งเจตวิมุตติและก็ปัญญาวิมุตติก็เอาพอได้หลักการนะฮะคงจะแยกได้นะไี่แรกพ็นทางจะสับสนแล้วครูตึ้ก็พวก คูบาาจารบางคนก็จบปริญญาแล้วก็ก็จะไปเกิด็นกิจส่วนี้มีบ้างนะครับโอ้ถ้าไม่ได้มีพื้นมาดีแล้วไปตันที่ที่พลังกิจหมดมเไปติดแล้วก็เลยออกไปสยศาสตร์ไปออกเรื่องฤทธิ์ไปหลงเป็นพระเทวทัตไปเลยถ้ได้แต่ว่าหมายความบางท่านก็ดีที่ว่าไม่ได้ไปใช้ในทางชั่วร้าย แต่ว่ามันต้องระวังมันจะไปเป็นปัญเทวทั์ได้ง่ายงทางทนกันนี่แหละพระ พ, พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสู้พยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้มาตั้งแต่ ต, ต้นพุทธกาลชาวพุทธก็ไปไม่รอดชาวพุทธก็มาติดเรื่องหนึ่งเรื่องลิตรปาฏิหาริย์ศัยศาสตร์น่ยที่พระพุทธเจ้าได้แก้มันแล้วน่ยอุตสาพยายามให้เห็นว่ามันไม่ได้อยู่ที่นี่น่ยไปเจอชดินฉดินก็วัด พระองค์ว่าเป็นอาหารหรือเปล่าไม่ใช่เป็นอาหารอย่างเรานี่คืนนี้ต้องลองริษดูหน่อยใช่ก็เลกแกล้งคุกเศกเล่<ใ>นยันก็พว ก, พวกมันจิดอยู่ในนั่นแหละติดและบางทีเป็นในพวกชั้นต่ําเป็นอากุศลไปด้วยใช้สนองลโลภะโทสะมันก็เข้าคติไอพวกรัตทีผีสางเทวดาของฮินดูไปน่ยติดเรื่องเทวดาก็ปฏิบัติต่อเทวดาโดยไม่เข้าใจแทนที่จะพัฒนาคุณธรรมวิ ที่จะทําให้เป็นเทวดาในตัวกลับมองไปหาทางพึ่งเทวดาในปฏิบัติต่อเทวดาผิดเรื่องฤทธิปฏิหารก็ไปมุ่งหวังเอาวัดดูด ว, วัดความวิเศษวัดความประเสริฐเลิศอริยะกันด้วยเรื่องฤทธิปฏิหารอีกผิดอีกนะพระเจ้าแก่มาแล้วนะก็ไม่ฟังนะเลยไม่เรียนแล้วก็มาติดเรื่องรัฐที่นิคร่นก็ไปเป็นรัฐที่กรรมเก่าแบบอะไรอรก็เป็นเพราะกรรมชัดก่อน เรือามาติดเรื่องความมายึดมั่นถือมั่นโดยเป็นกลายเป็นความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นไปอีกแบบนิโครไปอีกใช่ไหมก็ผิดอีกแทนที่จะเป็นความไม่ยึดมั่นที่เกิดด้วยปัญญารู้ตามเป็นจริงแล้วปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายได้ด้วยดีตามเหตุตามผลนอันนี้พุทธศาสนาจุดเนี้ที่แยกถ้าชาวพุทธแยกไม่ได้ก็อันตรายใช่ไหม คือนึกว่าไม่ยึดมั่นถือมันก็อเอาอย่างที่ว่าไม่ใช่ลูกของเรามีของเราเหมือนน้ครนเปรียบที่เล่าเมื่อคืนเนี่ยเจ้าน่ะนิครนเขว่าไงนเนี่ยว่าเอาแล้วนะถึงวันวัโบสถบอกลูกศิษย์วันนี้แก้ผ้าได้แล้วจะไปยึดมั่นอะไรเลยแล้วก็บอกว่าเราไม่ยึดมั่นอะไรไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครัึงนั้นแล้วสงองก็ไปทําพิธีด้วยพที่ทาให้ชาวบ้านต้องติดอันนี้ก็มีควาคัญแล้วก็พระไม่รู้เรื่องไม่ได้เรียนเนี่ย ไม่ได้รู้หลักรู้รอะไรทั้งท่านเทนนั้นก็เลยแยกเนะ